อันคนดีมิใช่ดีตรงมีซับมิใช่นับพงพันชนะสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนาน า, นาอีกวิชาศิลธรรมนำให้ดีพระพิมรธรรมอนุจารีเทระ วันนี้มีคําถามมาปุดฉาให้คุณหมอเนี่ยกรุณาช่วยวิสัชนาสักหน่อยนะคะ <g ül> จะว่าไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องร้อนๆใกล้ตัวซีด้วยแหละค่ะ ค, คําถามนี้อยู่ว่าอะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยทุกวันนี้อะไรว่าคนดีมีศีลธรรมค่ะ อ, อสิ่งที่เราขาดแคลนกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะครับแล้ว ใครๆก็รู้นะคะว่าคนดีมีศีลธรรมเนี่ยเป็นของดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่คุณหมอคะแล้วคนดีมีศีลธรรมที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะแล้วต้องดีขนาดไหนคะถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีได้อย่างสนิทใจไม่ขังแขลงใจเพราะว่าหลายค น, นยัง มีการโจดกันนะคะว่าอ๋อคนนั้นเหรอคนดีเขาไม่ได้อย่างนั้นย่างยิ่งยิ่งยิ่แล้วคนที่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าดีกว่าหรือเปล่านะคะจริงๆเรามันต้องมีมาตรฐานนะครับนั่นแหะสิคะแต่แห้เพราะว่าดีเนี่ยในแต่ละสังคมในแต่ละกลุ่มชนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะอาจจะมีการขัดแย้งกันได้ค่ะในลักษณะของการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็มีมาตรฐานนะก็เรียกถ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมนี่ก็มีชื่อย่อย่า มอกใช่ไหมฮะเวลาผลิตมาแล้วเนี่ยได้มาตรฐานไหมเนี่ยก็มีตรามอกรับประกันนี่ของชาวพุทธเนี่ยก็มีเหมือนกันฮะพี่สินีนาศมีมพสเอแล้วใครให้แหละค่ะยังไม่เฉลยว่ามพสแปลว่าอะไรนั่นแหละสีแล้วใครจะรู้ล่ะฮะทีนี้มาตรฐานตามมพสเนี่ยค่ะเขาบอกว่าบุคคลนั้นพึงปรารถนาหรือว่าเครื่องหมายของคนดีเนี่ยจริงๆแล้ว ก็มีโมเดลหรือว่ามีผู้นําที่เป็นรูปแบบให้เราหรือว่าเป็นเครื่องชี้วัดว่าผู้ที่เป็นหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยควรจะออกมาในรูปแบบใดเนี่ยก็อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าต้องไม่แสบไม่แสบทางโลกไม่แสบทางโลกก็คือว่าเขารู้จักกฎกติกามารยาทของสังคมคมีระเบียบวินัยของสังคมเขาไว้อย่างไงเนี่ยคนคนนั้นก็สามารถปฏิบัติ ตามสังคมเป็นไปด้วยดีไม่ละเมิดะนะครับอในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่แสบทางธรรมก็คือเป็นคนมีศีล น, นะครับเป็นคนศัพท์เป็นคนซื่อนะมีศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าเป็นพื้นค่ะนะครับเพราะว่าอันนี้มาตรฐานอันที่หนึ่งเลยนะพี่ศิลไม่แสบแล้วก็มีศีลเนี่ยนะไม่แสบทั้งทา ง, ทางโลกแล้วก็ไม่แสบทั้งทางธรรมด้วยนะครับต่อไปก็คือมาตรฐานข้อที่สองก็คือว่า ต้องเป็นผู้ที่ไม่โง่ไม่โง่ด้วยนะคะถ้าไม่โง่ครับถ้าโง่ดีก็ไม่ดีนะคะถ้าโง่นี่ยไม่ดีไม่โง่ก็มีสองอย่างเหมือนกันนะคือไม่โง่ทั้งทางโลกแล้วก็ไม่โง่ทังทางธรรมคือทุกอย่างจะต้องคู่กันหมดเลยนะคะโลกกับธรรมพิจารณาควบคู่กันไปรับไม่โง่ในทางโลกนี่ก็คือว่าเขาเป็นผู้มีสติปัญญาทางโลกในการเรียนรู้เรื่องของการทามาหากิน เรื่องของสมมุติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจะนะทำมาหากินเอาตัวรอดได้ไม่เป็นภาร่ากับผู้อื่นคะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไม่โง่ในทางถรมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะครับรู้เท่าทันเรื่องของสมมุติเรื่องของอะไรสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งอะไรที่ไม่ควรคทางบุญทางบาป ท, ทางเสื่อมทางเจริญทางไหน เกื้อกูลทางไหนที่ไม่เกือ้อกูลทางไหนที่มีประโยชน์ทางไหนที่ไม่มีประโยชน์ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญามาตรฐาน้นที่สามก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่แรงน้ำใจค่ะนะครับเป็นผู้ที่ไม่แรงน้ำใจก็คือว่าถ้าเราไม่แสบแล้วก็ไม่โง่ะนะแต่เราแรงน้ำใจก็ใช้ไม่ได้นะคะนะครับไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ทางภายนอกทรัพย์สินเงินทองหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งทรัพย์ที่เรียกว่าทรัพย์ทางสติปัญญาหรือว่าเอเยีทรัพย์อันนี้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ น, นั้นด้วยะนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตามมาตรฐานมพสเนี่ยก็จะมีอยู่โดยหลักการก็คือมีประมาณเนี่ยไม่แสบ ไม่โง่แล้วก็มีน้ำใจแล้วก็มีน้ำใจถ้าใครมีคุณสมบัติสามข้อนี้ครบถือว่าเป็นคนดีพอใช้ได้ครับผ่านมาตรฐานมปศเป็นอย่างน้อยคขยายได้หรือยังคะอะไรปศคะมาตรฐานพุทธศาสนานะครับพี่สีนะ่ามก็คือมาตรฐานปศก็คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาโอ้ค่ะถ้าใครมีสาประการนี้นี่ก็เรียกว่ารับไปเลยประกาศสิริบาลอันนี้แล้วก็มีข้อข้อนไม่แสบก็คือมีคุณธรรม มีสีลห้านะคะแล้วก็ไม่โง่ก็คือมีปัญญาแล้วก็ไม่แรงน้ำใจก็คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันนะค่ะก็ถ้าใครมีคุณธรรมสามข้อนี้ครบคุณหมอกำพลพันชนะให้การันตียี่ห้อมพสหรือมาตรฐานพุทธศาสนานะคะจริงจริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องมาขอที่ผมก็ได้นะอ้รู้ขอที่ใครได้เหรคะถ้าท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับการันตีโดยเฉพาะเลยก็คือความไม่ตกต่ําของชีวิตเป็นอย่างน้อยสุขติเป็นที่หวังได้และเรียกว่าทําเหตุอันเป็นที่หวังได้ถึงซึ่งผลก็คือสุขติเอ๊ะคุณหมอคะคุยมาถึงตรงนี้ชักสงสัยว่าแล้วทําไมคนไทยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยถึงได้รู้สึกว่าความดีในมันหาได้ยากและคนดีก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน เป็นเพราะอะไรล่ะคะเมื่องที่เรามองไกลตัวเกินไปมาผมยกตัวอย่างง่ายๆครับพี่สินนาฏค่ะผมคหน้าที่ตรวจสุขภาพมาเนี่ยผมใบรรยายเรื่องของการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะครูนะมีการศึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ซ้ำไปค่ะผมถามว่ามีใครไม่รู้บ้างว่าข้าวกล้องเนี่ยดีกว่าข้าวขาวค่ะก็คือทุกคนรูท ร, ร, ราบฮ ะ, ะว่าข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวค่ะ สงถามต่อไปว่าเอา้าแล้วมีใครทานข้าวกล้องบ้างออื mm hmm. ในจํานวนประมาณยี่สิบสามสิบคนเนี่ยจะมียกเรประมาณสองคนนะที่จริงนะค่ะ <Ha. S 2> แล้วถามว่าใครกินข้าวกล้องร้อยปอร์เซนบ้าง mm hmm. ก็จะมีอย่างเก่งก็คนหนึ่งที่เหลือนี่ก็คือผสมข้าวขาวด้วยด้วยเหตุผลเยอะแยะมากมายค่ะ <Ha. S 2> นะครับก็เช่นเดียวกันนะถามว่าความเป็นคนดีความเป็นคนมีศีลหรือว่ามนกานมีศีลห้าเนี่ยดีไหมทุกคนก็ตอบดี แ, แล้วทำไมคุณนุ้งไม่มีสีน ห, าห้าล่ะใช่ไหมฮ ะ, ะอันนี้เป็นคำถามที่ผมว่ามันย้อนเข้ามาจุกอกของคนที่ฟังหรือว่าของคนไทยอีกจานวนมากมายมหาศารซึ่งเป็นเรื่องแปลกแต่จริงซึ่งบางทีก็พูดไม่ออกคุยถึงตรงนี้แล้วขอเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราพอจะมีอะไรเป็นรูปแบบ หรือว่าเป็นคู่มือที่จะใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไว้ในจิตใจของผู้คนได้เวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมา <c oughs> คุณหมอก็จะเห็นว่าเราต้องมีคู่มือ <c oughs> วิธีการใช่ไหมคะคแล้วก็วิธีการดูแลรักษาแล้วก็เราก็จะได้เข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วก็รักษาของนั้นเอาไว้ได้นานแม้แต่เราซื้อรถยนต์ซื้ออะไรจะมีหมดเลยใช่ไหมคะ และก็ทา่านพุทธทาสก็เคยทําคู่มือมนุษย์เอาไว้ครับมนุษย์นี่ยังต้องมีคู่มือเลยครับเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกฝังคุณธรรมไว้ในจิตใจของผู้คนเนี่ยมันก็คงจะต้องมีคู่มือที่เป็นรูปแบบในการปลูกฝังด้วยหรือเปล่าคะครับก็ ค, บคือจริงๆแล้วคิดนะคิดได้ครับพี่สีเราจะทํำคู่มือมนุษย์เราจะทําคู่มือพุทธศาสนิกชน หรื่อแม้แจกแจกพระไตรปิฎกะนะครับให้กับชาวพุทธทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเราทำได้แต่ถามว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นผู้มีศีลธรรมที่ดีกว่าเดิมขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือไม่แน่ก็คือได้ทำแต่จะไปคาดหวังว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยาก ทั้งนั้นเรามีวิธีอะไรที่ดีกว่าได้ทำไหมคะคือในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเอาการคิดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับพี่สินาตคนปัจจุบันเนี่ยมักจะต้องทาอะไรตามกระแสนั่นหมายความว่าในสังคมของเราเนี่ยมันต้องมีโมเดลฮะคือคมีรูปแบบที่เป็นตัวอย่างโรโมเดลฮะเป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นซูปเปอร์โมเดลหรือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาคือว่า อย่างน้อยคือคณะรัฐบาลนะครับค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่กําหนดมาตรการเป็นตัวกําหนดนโยบายกําหนดเป้าหมายทิศทางของการพัฒนาจิตใจของประชาชนเนี่ยบนในชาติเนี่ยฮะค่ะว่าเราควรจะทําไปในทางไหนเนี่ยเริ่มจากตรงนั้นนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็คือว่าตั้งแต่ผู้ที่อิทธิพลมีอำนาจต่อสังคม นะครับรวมไปถึงระดับเล็กลงมาเช่นครูนะตามโรงเรียนนะครับระดับเล็กลงมาอีกก็คือพ่อแม่ในครอบครัวนะซึ่งถ้ารูปแบบเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีได้เนี่ยหรือว่าแม้แต่เรื่องของพระสงฆ์กันตามหรือว่า <Okay. S 1> อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆเป็นสิ่งที่ให้คุณให้ค่า คือทุกคนเนี่ยเห็นดีแต่ว่ามันเห็นดีแบบไม่ตลอดรอดสั่งนะเห็นดีแบบครึ่งๆกลางๆนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าโอ้การทําความดีเนี่ยมันดีจริงให้ผลดีจริงอะไรเงี้ยผมว่าอย่างน้อยก็จะมีการนําไปประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะตัวอย่างที่ใกล้ชิดที่สุดคือพ่อแม่นะผมยกตัวอย่างนะมีคุณแม่กับคุณลูกฮนะการข้าวเสร็ คุณลู ก, ก็ต้องทําหน้าที่ไปล้างจานใช่มฮะค่ะนี่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทานข้าวอิ่มมากขออภัยนะ้ก็ใช้คําพูดอย่างเงี้ยว่าก็อบอกแม่ว่าแม่แ ม, แม่เดี๋ยวหนูขอใช้เท้าล้างจานได้แม่แม่เหตุผลของเขาก็คือว่าเขาอิ่มมากตั้ง ก, ก้มลงไปล้างเนี่ยมันล้างไม่ไหวใช่ไหมฮะแม่ก็โอ้ได้ฟังแล้วลูกอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมฮ อ, อโมโหแล้วบอกว่าโอ้ยเนี่ยนะ ถ้าแม่ลุกได้แล้วม่จะตีแค่เขี่ยเข็ดด้วยนึกออกไหมฮะพี่สิรนาขนาดลูกเนี่ยก้มไม่ลงเพื่อที่จะล้างจานนะเราจะต้องใช้เท้าล้างจานาแต่แม่น่ะกว่า น, นั้นอีกนะคือลุกไม่ไหวเลยด้วยซ้ําคือกินจูเหมือนกันแม่ปูกับลูกปูอย่างที่เราเข้าใจดีะคผมเข้าใจว่าเราต้องพยายามเน้นเรื่องของแบบอย่างเรื่องของตัวอย่างเรื่องของผลประโยชน์ของการทําความดี ที่ให้เห็นโทษของการทําความชั่วค <c oughs> ่ะกันอย่างเรียกว่าถ้าจะใช้ภาษาให้มันดูทันสมัยหน่อยก็ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยว่ า, างั้นก็รณรงค์กันอีกรอบหนึ่ง <มา S 1> นะฮะต้องรณรงค์อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเ น, นื่องค่ะนะครับรึงเวลาแล้วที่เราจะรณรงค์ให้เรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติครับเพื่อผลิตคนดีขึ้นมาในระบบนะคะครับอันบางที <c oughs> ในใจผมเนี่ยผมคิดว่า เวลาเราจะรู้ทิศทางหรือว่าเราจะรู้เป้าหมายของคนดีเนี่ยเราต้องรู้ที่มาของราชสนะัพ์พ์ไหนนะพี่กินนะยังไงคะ่ะคนดีเนี่ยมันมีหลายคนหรือหลายระดับระดับใหญ่ที่สุดก็คือในระดับสังคมของเราเนี่ย ค, คำว่าคนเนี่ยมันมีคนดีมันมีสองอันนะพี่กินะฟังดูดีๆกฟังแบบวิเคราะห์คนดีก็คือคนดีๆ คนในที่นี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเลยนะแต่เป็นกิริยาอกิริยาของการุคนนะครัี่สินาคนดีๆแล้วก็จะได้คนดีหมายความว่าในสังคมเนี่ยคมันมีทั้งคนเลวแล้วก็คนดีแน่นอนหรือว่าในสังคมเนี่ยมีทั้งคนที่มีรูปแบบแปลกๆนะอาจจะดีหรือไม่ดีกันแล้วแต่แต่มีความหลากหลายคดังนั้นเราทํายังไงเนี่ยจึงจะมาคนนะผสมปนเปกันคนกันให้มันเข้ากัน เหมือนอาหารที่เราแต่ละอย่างที่เรา น, นํามาผสมกันอย่างต้งยมยํากุ้ ง, ง, งนี้ยนะฮะถ้าเอาอาหารแต่ละอย่าง ม, มากินแยกกันแยกกันแยกกันแล้วก็มันเข้าไปรวมในท้องมันก็เป็นต้ยมยํากุ้งเหมือนกันแหละ<ฆ>แต่ถามว่ามันเป็นรสชาติของต้มยามกุ้งจริงไหมมันก็คง<ฆ>ไม่ใช่เช่ไนหะแต่ถ้าเราเอามาใส่รวมกันรวมกันทีละอย่างละอย่างนะฮด้วยการใช้ความร้อนด้วยการค น, นด้วยกันเติมในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยคเราก็จะได้ต้มยํากุ้งรสแซ่ อันนี้ถ้าดูใช้การคนก็คือการใช้กลวิธีในการรวบรวมเข้ามานะฮะที่จะทําให้ได้รสชาติหรือว่าได้สังคมที่ดีคนในสังคมที่ใหญ่เนี่ยมันก็มาจากสังคมที่เล็กที่สุดก็คือเป็นเรื่องของปฏ จ, จกิรบุคคลก็คือเรื่องเฉพาะตนนะในตัวคนเราเนี่ยหรือว่าในตัวมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีขันห้าเหมือนกันนะฮะมีส่วนผสมทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมต่า ง, งๆ เ, เราจะใช้อะไรเป็นตัวคนก็คือทํำยังไง ตัวเราเนี่ยจึงจะออกมาในทิศทางที่เรียกว่าเป็นคนดีได้เห็นไหมผมเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวสติเนียสติสปัญ ญ, ญ, ญาเนี่ยนะเหมือนไม้พายไม้พายคนเอากุศลธรรมกับอกุศลธรรมดีไม่ดีของเราให้มันผสมปนเปนกันให้มันได้สัสดได้ส่วนให้มันทําให้มันเกิดคุณค่าขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยเราเรื่องกายเรื่องใจของเรามาใช้ประโยชน์ โดยการใช้สติเป็นไม้พายเนี่นะผมว่าเราจึงจะมีโอกาสในการได้คนดีจริงนะครคือคนดีตั้งแต่ระดับปัิเจกชนเลยก็คือตัวเราเองะนะครับไปจนถึงเรียกว่าครอบครัวไปจนถึงสังคมนั่นในแง่ของการที่เราจะได้คนดีขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยหรือ ว, ว่าสังคมดีขึ้นมาสั ง, สงคมหนึ่งเนี่ยมันมีหลายทิศทางนะพีิทธิน่าซึ่งมันต้องทำพร้อมๆกัน คือทําจากใหญ่ระดับมหาภาคลงมาต้องเป็นกระบวนการครับเป็นกระบวนันเป็กระบวนการเป็นวิสัยทัศน์ที่เขาชอบพูดกันเนี่ยทํายากยากจากรัฐบาลจากทุกกระแสจากทุกวงการลงมาจถึงระดับเล็กๆการถ้าจากัระดับเล็กคือระดับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กลว่มคนขึ้นไปครอบครัวขึ้นไปภาษากันอย่างเป็นจังหวะเป็นแล้วลอกคลืนที่ว่ามันสืบเนื่องกันเนี่ยมันจึงจะไปรอดนะพิ่สินน่า แต่ทุกวันนี้เราคงหวังรอดไม่ได้ค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยค่ะบ้านก็โทษโรงเรียนโรงเรียนก็โทษบ้านครับค่ะวัดก็ไปโดนโทษด้วยแล้วสุดท้ายค่ะสังคมก็โดนโทษอีกทีนึงว่าสังคมก็ไม่ดีก็เลยทําให้บ้านวัดโรงเรียนลอยแย่ไปด้วยครับสุดท้ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต้องรวมตัวกันค่ะเพื่อจะผลิตมพศนะคะ ค่ะก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันประกาศรายชนี้แล